ตอนตอบคำถามข้อนนักเรียนชั้นปฐมปีที่5ถึง6วันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2559ทำไมโรงเรียนเรามีการปฏิบัติธรรมแล้วทำไมโรงเรียนอื่นไม่ทําอย่างโรงเรียนเราคะก็โรงเรียนอื่นก็คือโรงเรียนอื่นนะโรงเรียนเราก็คือโรงเรียนเราทีนี้อธิบายฟังว่าทำไมเขาไม่ทําทาไมเราทา พ่อคูจะเล่าให้ฟังลูกตอนนี้ทุกโรงเรียนมันแข่งกันแข่งขันอยากอวดเก่งและเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยต้องไปประเมินวิชาการแข่งกันว่าใครใครเก่งวิชาการคนนั้นได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่ทำอะไรก็ไม่เป็นคุยกันก็ไม่รู้เรื่องการศึกษาทุกวันนี้โรงเรียนทั่วไปเนี่ยเขาเน้นเรื่อง IQ ลูก IQ คเนี่ย Intelligent คือ igent, นะคือความฉลาด คิวนี่คื อ, Quality, อคุณภาพเขาเน้นเรื่องเก่งฉลาดทางวิชาการแล้วมันจบด็อกเตอร์มาเนี่ยเห็นไหจบปริญญาเอกเรียกว่าด็อกเตอร์เห็นไหมโค้กูเล่าให้ฟังว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยด็อกเตอร์คนหนึ่งไปฆ่าด็อกเตอร์2คนตายแล้วก็ฆ่าตัวเองตายเห็นไมเนี่ยมันมันไอคิวมันเก่งแต่มันไม่มันละเลยเรื่อง EQ EQ เนี่ยคือ Emotion Emotion คือเรื่องอารมณ์หรอกนะ EQ emotion quality ก็คือว่ามีคุณนะภาพทางด้านอารมณ์นะแล้วก็ไม่พอศูนย์เราเนี่ยเอา MQ ด้วย MQ คือ morality ภาษาอังกฤษ morality คือศีลธรรมนะคือ my mindfulness นะ my consciousness ก็คือว่า เอาเรื่องจิตวิญญาณด้วยมนุษย์เราประกอบด้วยสมอย่างคือกายจิตอารมณ์นะพราะครูต้องการให้เราเป็นคนดีด้วยเก่งด้วยมีคุณธรรมด้วยนะแล้วต่อไปเราจะทำแต่สิ่งดีๆเราจะไม่ตกนรกแต่ตอนนี้การศึกษามันแข่งกันเก่งเฉยๆคนดีทำอะไรก็ดีคนเก่งทำอะไรก็เก่งทําชั่วก็เก่งนะ มันทำชั่วเก่งมากหรอกเพราะมันเรียนวิชาเก่งนะของเราเอาสามอย่างลูกน ะ, ะดีด้วยมีคุณธรรมด้วยนะแล้วก็เก่งด้วยโอเคไหมทำไมเราสั่นเสร็จแล้วทำไมเราต้องร้องไห้แล้วทำไมเวลาปฏิบัติธรรมจะต้องทำจิตใจให้ว่างให้ว่างเปล่าคะนะแล้วเวียงนี้ทำไมลูก แล้วเวียงพ่อสร้างแรงเวียงขึ้นมานะแรงเวียงทําลายสนามแม่เหล็กอย่างถ้าลูกๆเอาจานเนี่ยเอาจานเฟี้ยงไปบนอากาศพิ้วถ้ามันยังหมุนอยู่มันจะไม่ตกลูกถ้าแรงเวียงมันหมดปุ๊บมันจะตกมันถูกแรงดึงดูดของโลกเห็นไหมแรงเวียงนี่ทําลายสนามแม่เหล็กแล้วเวียงให้จิตเนี่ยมันอิสระจากแรงดึงดูดของความคิดกับอารมณ์อยากที่ใจเนะ่ะจิตมันจะว่าง ไม่ใช่ไปตั้งใจกดให้มันว่างนะแค่ว่าทาสมาธิกดอันนั้นไม่ใช่ว่างจริงๆอันนั้นมันมันสงบชั่วคู่ใช้พลังสมาวกดมันไวอันนั้นไม่ใช่ของจริงเรามาปลดปล่อยให้จิตเรามันมีพลังเบี่ยงแล้วมันว่างคําว่าว่างจากแรงดึงดูดของใจนัะจิตอิสระแล้วแล้วมันจะเข้าไปสู่จิตในจิตนะไม่ใช่ตั้งใจไปทําให้จิตมันว่างนะ การที่คนที่เก่งกว่าเก่งกว่าเรามักจะดูถูกปมด้อยของคนอื่นด้วยคะ่ะพ่อครูเป็นการถามพ่อครูเนาะอันนี้คือเขาหลงตัวเองลูกนะทีนี้มันบอกมันเก่งมันไปเจอคนที่เก่งกว่าต่างคนต่างเก่งมันถือข้ากันในลูกนะเรายิ่งรู้ว่าเราเก่งเท่าไหร่ยิ่งนอบน้อมถ่อมตนเนี่ยนะแบ่ง ภูมิปัญญาความสามารถเราให้กับคนที่เขาด้อยกว่าเราเพราะครูบอกแล้วว่าน้ําแก้วหนึ่งลูกน้ํำใสๆแก้วหนึ่งลูกถ้าเอาทรายเทลงไปมันจะอยู่ที่ไหนลูกมันจะไปอยู่ที่ไหนทรายมาอยู่ข้างล่างใช่ไหมลูกเอาน้ํามันเทลงไปมันจะไปอยู่ที่ไหนมันลอยอยู่ข้างบนใช่ไหมลูกลอยอยู่ผิวน้ํำลูกน้ํามันมันมันมันระเบากว่าแล้วเอาเกลือเทลงไปจะอยู่ที่ไหนไปอยู่ข้างบนสาย เห็นไหมทั้งหมดอยู่ในแก้วใบเดียวกันอยู่ในโรงเรียนเดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยู่ในประเทศเดียวกันทั้งหมดไม่ต้องเหมือนกันต่างคนต่างอยู่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยู่ทีนี้ไอ้น้ำมันถือว่ามันอยู่ที่สูงถ้ามันหลงตัวเองมันด่าไอ้ทรายมึงบ้าจริงๆเลยอยู่ข้างล่างไม่มีอากาศหายใจมึงเป็นบ้าหรือเปล่าไอ้ทรายมันบอกว่ามึงนั่นแหละบ้าอยู่ข้างบนร้อนก็ร้อนไปตากแดดทําไมมาอยู่ข้างล่างกับกูดีกว่าเห็นไหมเถียงกันไหนใครชนะลูก เห็นไหมไอเกลือบอกกับมึงบ้านทั้งสองคนนั่นแหละกูอยู่ตรงกลางดีกว่าที่สุดเห็นไหมคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันลูกลูกฝาแฝดพ่อแม่เดียวกันเกิดมาคนนี้ขี้แยคนนี้ไม่ขี้แยฮะคนนี้ไอคิวสูงคนนี้ไอคิวต่ําคนนี้แข็งแรงคุณจะถามว่าทําไมพ่อแม่เดียวกันนะลูกตั้งแต่เกิดมาไม่เหมือนกันเพราะว่ามันสร้างกรรมมาไม่เหมือนกัน ทางวิทยาศาสตร์ไปเช็คดีเมันเหมือนกันหมดลูกลูกฝาแฝดดีเเหมือนเหมือนเลยเหมือนพ่อแม่แต่ทําไมอารมณ์มันไม่เหมือนกันเห็นไหมเพราะกรรมบุญบาปมันสร้างมาไม่เหมือนกันมันบันทึกในในเซลล์ตัวนั้นนะบุญบาปนี่จริงนะคนเก่งเขาดูถูกเราก็ช่างเขาเราสักแต่ไม่ได้ยินลูกนะไม่ต้องไปสนใจคําที่เขาพูด แต่ถ้าเราเก่งเมื่อไหร่เราอย่าไปทําเหมือนเขายิ่งเก่งยิ่งต้องนอบน้อมถ่อมตนนะแบ่งปันความรู้เราให้คนอื่นเขาเราถึงจะได้บุญทุกวันนี้เพราะมันแข่งขันไงมันกลัวว่ามันจะไม่เก่งเมื่เรียนเก่งๆเก่งเพราะเก่งปุ๊บก็ไปดูถูกคนอื่นแทนที่จะเอาความเก่งนั้นมาสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองมาสร้างกรรมนี่คนโง่นะลูกนะการที่ทํากิจกรรมต่างๆที่พ่อครูให้ทําพ่อครูมีจุดประสงค์ ถึงสิ่งใดหรือคะต้องการให้เราเป็นคนดีคนเก่งและคนมีร่างกายสุขภาพร่างกายจิตใจแข็งแรงร่างกายจิตใจแข็งแรงก่อนเดี๋ยวไอความเก่งมันมาทีหลังลูกเมื่อเราสติปัญญาดีเราสมองโปร่งเราอ่านอะไรเราเรียนด้อะไรมันก็ได้เร็วไงลูกเห็นมที่เราทำเนี่ยไม่ใช่ออกกำลังกายอย่างเดียวลูกนะออกกาลังกายออกกาลังจิตออกกำลังใจปรับสมดุลทางอารมณ์ด้วยนะ ที่เขาเรียกว่ากายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขคำตอบคือต้องการให้พวกเราเนี่ยมีร่างกายจิตใจอารมณ์แข็งแรงแล้วก็เป็นอนาคตของชาติการทำกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมพ่อครูมีจุดประสงค์ถึงสิ่งใดคะก็คำตอบขึ้นนั่นแหละคือให้พวกเรามาเรียนรู้คำว่าจริยธรรมคุณธรรม จริยธรรมก็คือพวกมารยาท ต, ต่างๆประเพณีเจอผู้ใหญ่ต้องกราบต้องไหว้มีมารยาทเขาให้ของเราก็ต้องรู้จักขอบคุณนีน่คือจริยธรรมส่วนคุณธรรมนั้นน่ะพวกเรารู้เปล่ามันคืออะไรใครจะตอบคุณธรรมคืออะไรยกมือขึ้นใครตอบได้ให้รางวัลใครจะตอบคุณธรรมคืออะไรนะเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมลูก ต้องมีคุณธรรมนะคุณธรรมนาความรู้ความรู้คู่คุณธรรมใครรู้บ้างว่าคุณธรรมมันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรฮะรู้ไหมใครรู้บ้างคุณธรรมคืออะไรยกมือขึ้นไม่ต้องอายทำดีนะลูกมีไหมมองหน้ากันมองหน้ากันฮะไหนลูกมามาครา้งหน้านี่ มาได้ลูกเออไม่ไอายทำดีเราพูดถูเกเขาช่างผิดเขาช่างเป็นการแลกเปลี่ยนอา้าวบอกเพื่อนเพื่อนหน่อยคุณธรรมคืออะไรคุณธรรมคือความดีค่ะยังไม่รู้เหมือนกันเอาตบมือให้เพื่อนหน่อยนึงตายลูกจะไปนั่งก่อนคุณธรรมคือความดีเราแลปลว่าคุณธรรมคือความดีแล้วความดีคืออะไร ความดีมีกี่แขนกี่ขามันแข่นทุกสีอะไรรู้ไหมรู้ไหมลูกใครชอบทุเรียนยกมือขึ้นยกมือเออเออวางลงใครไม่ชอบทุเรียนยกมือขึ้นพอๆกันนะลูกเอาลงแล้วทุเรียนดีไม่ดีฮะทุเรียนดีไม่ดี เดี๋ยวให้ประแขพระแขเอาทุเรียนสุกๆเลยเปิดออกมาแกะออกมามาตั้งปุ๊บเราเราตั้งวงกันกลมๆวางปุ๊บเนยคนหนึ่งวิ่งใส่เลยออ้ยมีความสุขมากคนหนึ่งเอามาทำไมเหม็นเหมนเมนคนหนึ่งบอกว่าดีคนหนึ่งบอกว่าไม่ดีเห็นไหมทุเรียนดีไหมส่วนมากดีเข้าข้างตัวเองเทีนี้ในทางจิตวิญญาณเนี่ยคำว่าดีคือเป็นกุศล คำว่าไม่ดีเนี่ยคืออกุศลทีนี้คุณธรรมมันคุณธรรมนี่ไม่เกี่ยวกับดีไม่ดีนะลูกฟังไว้หลายปีก่อนเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งหูก่เขาคลอดลูกเขาาไปลูกเขาไปทิ้งที่สะพานลอยกรุงเทพเอาไปขโมยถิงไว้ทีนี้ตำรวจก็สืบว่าแม่เป็นใครก็จับแม่มานะทีนี้ตอน ครูคีนะสมัยครูคีครูเอี้ยงครูอ้อมครูอ้อมเป็นครูที่โรงเรียนเราเรียนกศนที่นี่ลรุ่นแรกเลยพวกครูถามว่าเด็กๆอ๋ถามพวกเราที่บ้านใครเลี้ยงไก่บ้างยกมือขึ้นเกือบทั้งหมดเลยยกอีกเออเอามือลงไก่มันออกไข่หรือมันออกลูก ออกทีละหนึ่งฟองหรือเปล่าเยอะใช่ไหมเออเวลามันออกไข่แล้วมันทํำยังไงมันฟักไข่พอออกเป็นลูกแล้วมันทํำยังไงฮะมันก็เลี้ยงลูกมันเห็นไหมพาลูกมันไปคุยเคี่ยวฝึกลูกมันเอ้มันหากินลูกๆเคยเห็นแม่ไก่มันวางแผนเอาลูกมันไปทิ้งสะพานลอยไหมเพราะอะไร เพราะมันมีคุณธรรมคุณธรรมคือคุณสมบัติตามธรรมชาติเข้าใจหรือยังคุณธรรมคือคุณสมบัติตามธรรมชาติแต่เด็กผู้หญิงที่กรุงเทพคลอดลูกไปทิ้งสะพานลอยเนี่ยถามว่าไก่มันทํำไหมเห็นไหมแล้วทำไมคนมันทําล่ะถ้าไก่มันออกลูกมันออกไข่มาเหมือนเหมือนผู้หญิงคนนั้นเอาลูกทิ้งสะพานลอยเป็ดหมู ทุกอย่างออกลูกมากูทิ้งมันหมดเลยแล้วเป็นยังไงตายหมดใช่ไหมเห็นไหมมันศูนยพันหมดนะสัตว์มันยังไม่ทำลูกมันมีคุณธรรมแลวตอนนี้คุณธรรมเราหายไปไหนหมดลูกเราถูกความรู้ผิดมันบอกไว้ว่าอย่าเลี้ยงเป็นภาละเอาไปทิ้งเะเห็นไหมสัตว์เดรัจฉานมันไม่ทำลูกมันมีคุณธรรมคุณธรรมคือคุณสมบัติตามธรรมชาติ แต่ตอนนี้พวกเราหายหมดลูกเรามีแต่ความรู้ผิดชนะก็ดีสบายก็ดีเห็นไหมเวลาไก่มันเลี้ยงลูกมันมีลูกห้าตัวลูกมันกาลังเลี้ยงลูกอยู่มีหมาตัวนึงจะไปกัดลูกมันมันทำยังไงมันพยายามสู้ไม่ไหวมันก็เอาลูกมันก็กลับกัดลูกตัวหนึ่งไปเนี่ยมันก็เอาลูกสี่ตัวมันหนีไปหากินเนี่ยไก่มันร้องไห้ไหมมันร้องไห้ไหมลูก มันไม่ร้องลูกแต่ว่ามันก็ทําหน้าที่มันต่อไปเพราะมันสู้หมาไม่ได้แต่คนทุกนี้บางทีรักลูกก็รักมากมากบางทีไม่รักก็เอาไปทิ้งสะพานลอยนะบางทีรักลูกเป็นไข้กอดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ยอมปล่อยพอลูกตายอีกไม่ยอมปล่อยอยู่กอดอยู่ตรงนั่นแหละเขาเอาพระมาขอร้องมาให้ปล่อยเถึงตายแล้วก็ไม่ยอมพอฉันรักมากเขาก็เลยให้อุ้มอยู่ตรงนั้นลูก อุ้จนมันเน่ามันเหม็นอยู่ลูกตัวเองเหม็นเลยที่นี่ก็กลัวลูกแหละแล้วเมื่อกี้รักลูกดีๆตัวนี้กลัวลูกลูกเป็นผีไงกลัวผีเห็นไหมไก่มันไม่ทําแบบนี้ลูกเนี่ยของเรารักก็รักกันเหลือเกินเกลียดก็เกลียดกันเหลือเกินนะคุณธรรมเราหายไปหมดนะใ น, นลักคือจุดประสงค์ที่พวกเรามาเข้าค่ายทํากิจกรรมเนี่ยนะเพราะครูต้องการลื้อฟื้นให้เราเรามีคุณธรรมอยู่แล้วเนี่ย นะเราเข้าไปในเว็บไซต์เราให้คุณธรรมตรงนี้มันตื่นขึ้นเรามีจิตสำนึกอยู่แล้วสำนึกจิตของเรามีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องสอนลูกลูกเป็นเด็กดีน ะ, ะเข้าหูซ้ายออกหูขวาดีคืออะไรก็ไม่รู้ด้วยความดีมันมันแต่งชุดสีอะไรเราก็ไม่รู้อีกคุณธรรมเองก็ไม่รู้แล้ว เ, เราจะทำได้ไหมเนี่ยเราเต้นบ่อยๆเดี๋ยวเราจะมีคุณธรรมลูกเราจะเป็นคนดีเองนะ การที่เราเกิดมาแล้วตายแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรเป็นคําถามดีมากเกิดมาก็ตายแล้วก็เกิดมาทําไมแล้วก็ตายอยูอันนี้เล่านิทานให้ฟังนะไม่ใช่นิทานหูกเรื่องจริงนี่ครูปอผู้บริหารโรงเรียนเราผู้จัดการเท่า น, น, นี้นะน้องชายครูปอลูกนะพ่อครูส่งไปบวชเรียนลนก นะบวชเป็นเนนเรียนจะเป็นมหาปีนั้นอายุจะยี่สิบจะบวชพระแล้วท่านก็ทุดงไปเที่ยวจังหวัดการที่วัดแห่งหนึ่งพระก็ใช้ให้เนรมหาในี่ปีนต้นตกต้นไม้สูงมากลูกใหญ่กว่าต้นบบกตรงนี้ด้วยนะสูงมากลูกนะแล้วเนรเขาก็ตกลงมา เขาก็ไปโรงพยาบาลก็โทรมาพราครูก็รับครูปอวิ่งกันไปนะเนรนก็เคยฝึกจิตมากับพ่อครูนะเขาทุรนทุลายมากพ่อครูบอกเน้นเนนเน้เ น, นมาตามลมหายใจเร็วๆนะเออตอนนั้นเขายังไม่เสียชีวิตเขาก็นิ่งลงไปก็ให้ครูปอเนี่ยเฝ้าอยู่ตรงนั้นพ่อครกูก็ขับรถมาจะให้พ่อเขาให้นัคขามไประหว่างทางครูปอก็โทร บ, บอกว่าเนนเสียชีวิตแล้วเข้าใจไหม แล้วไปยังไงเนนเสียวันนี้พรุ่งนี้คุณแม่ครูปอเนี่ยก็คลอดพี่แทนเป็นผู้หญิงนะลูกพรอูตั้งชื่อเองเขามาแทนเนีนเองแล้วพี่แทนนี่ตอนอา ย, ยุสองขวบเนี่ยเผลอปุ๊บแกก็เอากรรไกรตัดผมว่าแกเป็นเนียนแกไม่ยอมใส่กระโปรงก็เป็นผู้หญิงกว่าจะยอมใส่ กระโปงนี่ต้องโตขึ้นเห็นไหมวันนั้นแม่ครูปอได้ยินข่าวว่าเนนมหาเสียชีวิตแกก็คอดแทนแกอุแกเป่งออกมาว่าเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วก็ตายนักคำพ่อครูปอเนี่ยต้องไปแจ้งที่อำเภอเนี่แจ้งเกิดลูกคนหนึ่งเกิดลูกหนึ่งคนหนึ่งตายนี่ล่ะ เกิดแก่เจ็บตายหนึ่งเราเกิดมาใช้นี่กรรมนะเราทุกข์เพราะเกิดแก่มาก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ถ้าเกิดเราไม่มุ่งมั่นมาเป็นเพียรมีคำถามหนึ่งพวกครูก็อาจอาัอานไม่ทันนะว่านิพานมีประโยชน์อะไรทำไมต้องฝึกไปนิพานตอนนี้มีแม่ชีน้อยเราคนหนึ่งนะมุ่งมั่นจเจาหนี้พาน เ, เราเรียนคู่กันไป แต่ไม่ใช่เราอยากได้ก็ได้แต่ถ้านระบุเราไม่ถึงยังไม่ได้ถ้าเกิดเราฝึกจิตจนเราเข้าสู่นิพพานแล้วเนี่ยนั่นแหละเราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายอีกแล้วมีอย่างเดียวเท่านั้นคือไม่ต้องเกิดถ้าเกิดแล้วก็ต้องตายธรรมชาติให้เรารับกรรมไหนๆจะเกิดแล้วมนันเน้มันเจ้าตายแล้วเราก็ฝึกตายตายให้มันเป็นอย่าตายให้มันทุกข์ทรมานเท่านั้นเองนะลูก การที่เราเกิดมาแล้วมีร่างกายที่ไม่ครบ32ประการเกิดจากอะไรครับพ่อกูเกิดจากกรรมหรืถ้าเราเคยหักขาไก่หักขาแย่บ่อยๆนะเราจะเป็นอมาภาพอมาพึกแต่ถ้าเรามาฝึกจิตเนี่ยเราจะจ่ายหนี้กรรมทางจิตพอเราเราเข้าไปในจิตปุ๊บเราจะกลายเป็นอมาภาพอมภพึกในจิตโอ้เจ็บโอ้เจ็บน้ำลายไหลพูดไม่ชัดเลย พอบ่งบทเวลาแล้วออกมาปุ๊บหายปุ้บไปกินข้าวพอมานั่งใหม่จะเป็นอีกหรือแล้วก็ชีวิตจริงเราก็ไม่ต้องเป็นเราล้างโปรแกรมกรรมข้างในได้ก็เราจ่ายหนี้กรรมด้วยความทุกข์เรามาทุกข์ในจิตเราไงไม่ต้องให้ชีวิตจริงมันเกิดอันนี้27ปีพ่อครูเห็นอย่างนี้มามากคนนึงมาจากอังกฤษเนี่ยเป็นอำมาตย์รักษาเปมันหมดเป็น10บสิบล้านก็ไม่หายสมปีมาอยู่ที่นี่ปฏิบัติปุ๊บแล้วก็เดินได้เขาจ่ายหนี้กรรมทางจิต จิตมันรักษาตัวเองนะทำไมพ่อครูถึงทำโครงการ S n d ได้สำเร็จได้สำเร็จก็คือพ่อครูเจอปัญหาพ่อครูก็ไม่เลิกอ่ะทำไปเรื่อยๆย7ปีแล้วลูกตอนนี้เรามีสาขาที่กรุงเทพเรามีเปิดหลายสาขาลูก เพื่อให้ผู้คนปฏิบัตินะไม่ใช่พวกเราเด็กๆนะผู้ใหญ่เขาก็มาปฏิบัตินะชีวิตเขาดีขึ้นเพราะจุดประสงค์ใดพ่อครูถึงทำโครงการนี้คือ S&D สนดีขึ้นมาทำไมถึงต้องมีเด็กประจำด้วยก็ s สนดีครอบครัวอธิบายแล้วเนี่ยนะทำให้ร่างกายจิตใจอารมณ์เราแข็งแรงเรื่องความเก่งความรู้เรื่องเล็กูกถ้าเราจิตใจร่างกายแข็งแรงเนี่ยเราเรียนรู้เองก็ได้นะ ความรู้แค่เราอ่านหนังสือออกเราก็รู้แล้วมันไม่ได้เรื่องสำคัญเเรียนป .5 ท่องจบสอบเสร็จปุ๊บป .6 ไปท่องของป .6 ป .5 ทิ้งมันนะแค่เรียนเรามาสอบเฉยๆอันนั้นไม่ใช่ความรู้จริงความรู้จริงต้องทำให้ร่างกายจิตใจอารมณ์เราแข็งแรงนะคนที่บริหารชีวิตตัวเองให้พ้นทุกข์ได้นะ่ะคือคนเก่งนะทำไมถึงต้องมีเด็กประจำา1 คนที่อยู่บ้านไกลอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาอยู่ที่นี่ได้นะแล้วก็ไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่ทุกอย่างฟรีหมดลูกแล้วก็มีโอกาสปฏิบัติทุกวันลูเรียนคู่กันไปนะเรียนคู่กันไปก็เมื่อวานนี้ก็เพื่อนเราก็มาบวชอีก5คนลูกประถมที่นี่นะบวชไม่ชีห้าหคนนะหนไม่เป็นภาระของพ่อแม่แล้วก็2 อ, อยู่ที่นี่ปลอดภยัย มีครูบาอาจารย์แม่ชีพี่เลี้ยงพ่อครูก็อยู่ดูแลนะแล้วก็ไม่เดือดร้อนมุ่งมั่นมันเป็นเพียรแล้วก็เรียนทางโลกไปด้วยคู่กันอันนี้คือเราปลอดภัยไม่ต้องเป็นภาระของทางบ้านท่านพ่อครูทำไมหนูต้องมีความอดทนอดอดกั้น ถ้าไม่มีความอดทนเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นหรอกเราทําอะไรพอทำปุ๊บก็คือเบื่อกูทิ้งทำปุ๊บกูเบื่อก็ทิ้งอะไรก็ทิ้งเลยเนี่ยแต่ทุกอย่างต้องมีความอดทนถ้าไม่อดทนแล้วทําอะไรก็ไม่ได้นะท่านพระครูคะทาไมคนต้องมีศีลธรรมเห็นไหมถ้าไม่มีศีลธรรมบอกแล้วออกลูกก็ทิ้งเลยทิ้งเลยนะไก่มันไม่ทิ้งนะไก่มันมีคุณธรรมเห็นไหมมันเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนต้องมีไงแต่ตอนนี้เราหายหมด ศีลธรรมมันถูกความโลภโกรธหลงมันครอบงาำหมดถูกอวิชชาความรู้ผิดครอบงำศีลธรรมเราคุณธรรมเรานะนป็นมันต้องมีอยู่แล้วถ้าไม่มีเราจะสร้างกรรมหรอกท่านพ่อครูทําไมทุกคนมีความคิดไม่เหมือนกันคะก็มันเป็นนานาจิตต่างเห็นไหมคนหนึ่งชอบทุเรียนคนหนึ่งไม่ชอบทุเรียนเห็นไหมทีนี้คิดต่างกันไม่ได้เสียหายอะไรเขาจึงมีประชาธิปไตยนะ เพราะมันคิดไม่เหมือนกันเขาก็เลยต้องโหวตเสียงลูกลงคะแนนแล้วเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งเรามานั่งเถียงกันอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีมันไม่จบหรอกลูกเพราะมันชอบไม่เหมือนกันถ้าคิดเหมือนกันชอบเหมือนกันโตขึ้นเราต้องมีแฟนคนเดียวกันนะตีกันฆ่ากันแย่งกันเอาไหมมันก็ต้องไม่เหมือนกันลูกเพราะว่าเราบ่มเพราะอุปนิสัยความชอบเราต่างกันทีนี้ศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนให้เราเหมือนกันหรือเท่าเทียมกัน ศาสนาพุทธสอนให้เรายอมรับในความแตกต่างคนที่เหนือกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ด้อยกว่าเราก็อยู่ด้วยกันได้ทรายก็อยู่อย่างทรายน้ำมันก็อยู่อย่างน้ำมันเกลือก็อยู่อย่างเกลือแต่ทีนี้เราต้องการให้ทุกคนเหมือนกันเท่าเทียมเรามาคนใหญ่เลยคนมันก็ขุนหมดเลยเห็นไหมทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองลูกเพราะเขาไม่เข้าใจความจริงนะทาไมคนทุกคนต้องตกเป็นทาสของความรัก ใครถามเอ่ยไม่อยากบอกชื่อเลยป .6 ห, นะหรือว่าคนที่ถามนี่กําลังเป็นธาตุของความรักพรอครูบอกรักโลภโกรธหลงมันเป็นทุกข์นะหลายปีก่อนมีคุณหมอคู่หนึ่งกับภรรยามาที่นี่มาวันแรกพอครูบอกว่ารักโลภโกรธหลงเป็นทุกข์ ภรรยาคุณหมอยกมือขึ้นรักกันมันจะทุกได้ยังไง ร, รักมันก็ดีแล้วสิเพราะครูบอกคุณรักคุณหมอไหมเขาบอกรักสิถ้าคุณหมอถูกแย่งไปนี่ยังรักอยู่หรือเปล่าฮะยังรักอยู่ไหมลูกบางทีไม่รักไม่พอนะแค้นนี้ต้องชําระสิบปียังไม่สายกูจะฆ่ามึงถ้าเรารักเขาจริงๆริเนี่ยคนที่เรารักเนี่ย ไป ม, มีความสุขเราต้องสาธุอนุโมทนาสาธุใช่ไหมเราต้องดีใจเห็นที่คนเราลักเนี่ยมันไม่มีความสุขไงทําไมแค้นนี่ต้องชําระล่ะเห็นไหมความรักมันแฝงด้วยความหลงรักเพราะเธอเป็นของฉันเพราะเธอเป็นของฉันถ้าเป็นของคนอื่นเน่ะฉันจะไม่รักแค้นด้วยเนี่ยความรักเราจะเป็นทาสของมันทําให้เราทุกข์เอาแล้วทํำยังไง เปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเอาใครจำได้ใครพูดพร ม, มิหารได้พูดสิยกมือขึ้นเห็น ไ, ไหมตั้งแต่เปิดเทอมเลยให้ให้ท่องพร ม, มิหารกันลืมตกกระป๋องหมดแล้วมั้งนะพวกครูไม่ได้รักพวกเรานะลูกพวกครูเมตตาพวกเราทุกคนนะ มีคำถามหนึ่งพ่อครูมีลูกกี่คนพ่อครูนับไม่ทั่วในลูกในนี้ลูกพ่อครูหมดเลยนะไม่ใช่ลูกกูลูกมึงกูไม่ช่วยไม่ใช่เห็นไหมพ่อครูเมตตาทุกคนทุกคนเป็นลูกหลานเราหมดนะเนี่ยความรักทำให้เราเป็นธาตมันเราจะทุกข์ถ้าเราสูญเสียมันเปลี่ยนความรักให้กลายาเป็นเมตตา so เรามีชีวิตคู่ก็ช่าง เราเมตตาซึ่งกันและกันแต่สุดท้ายมันต้องตายจากกันนะมีเท่าแก่คนหนึ่งลุกเป็นญาติพ่อกูเกือบสิบ ป, ปีแล้วละ่ะเคยมาเยี่ยมพ่อกรูพ่อ ก, กูก็เทศให้ฟังภรรยาเขาชื่อภาษาจีนเรียกว่าแปะแปะนี่แปลว่าขาวภรรยาแกขาวสวยมากจนอายุแปดสิบกว่าก็ยังสวยอยู่นะสามีเขาไม่ยอมให้ภรรยาทางานเลยแม้แต่หนึ่งวัน นะบังเอิญเขาเป็นเท่าแก่ไม่เดือดร้อนแล้วบังเอิญภรรยาเขาตายก่อนเท่าแก่คนนี้ตอมใจอยู่ไม่ได้เขาสูญเสียสิ่งที่เขารักมากตัวเองก็เกือบเก้าสิบแล้วเห็นไหมขณะไม่มีคนแย่งไปนะลูกเขาอยู่โรงพยาบาลก่อนจะตายพ่อคุูไปเยี่ยมเขาเขาจับมือพ่อครูว่าอาจารย์พูดถูกแล้วแต่ผมสายเกินไปแล้วผมทําใจไม่ได้แก่ตอมใจตาย นะเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาความรักแบบวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นความหลงมันไม่ใช่รักจริงๆมันเป็นเรื่องอารมณ์ชั่ววูบพอเบื่อมาก็ทิ้งกันพวกเราชอบดาราเห็นไหมดาราคนนั้นดาราคนนี้เราเคยติดตามไหมโอ้แต่งงานฉลองใหญ่เลยเนี่ยไม่ถึงปีสองปีมันก็หย่ากันหมดแล้วเนี่ยวงการนี่วงการมายานะลูก อย่าไปเห่ตามเขาชีวิตเราไม่ต้องทําเล่นนะนะใครบ้างเคยกินข้าวไม่ระวังเนี่ยฟันมันกัดลิ้นตัวเองยกมือขึ้นโอ้เยอะเลยเห็นไหมอ้ า, อาลงขอบใจลูกถามว่าฟันมันอยากกัดลิ้นไหมมันอยากไหมเห็นไหมแล้วทําไมมันกัดล่ะเห็นไหมขนาดฟันเราเองมันรู้ว่ากัดลิ้นตัวเองก็เจ็บนี่บางทีเราเผือกัดแล้วและไอ้ชีวิตคู่เนี่ยตะ คนละพ่อคนละแม่กลับมาเจอกันมันจะไม่กัดกันหรือสักวันหนึ่งมันกัดกันแน่นะถ้าเราไม่มีเมตตากันลูกพอควนมันรักมันเบื่อรักแล้วทีนี่มันก็กัดกันนะดีไม่ดีตีกันฆ่ากันยาล้างกันแล้วสุดท้ายลูกก็ถูกทอดทิ้งนะนั่นแหละคําถามว่าทําไมรักเป็นธาตความรักมันแฝงด้วยความหลงเค่ไหม หลังจากการที่เราปฏิบัติธรรมนี้มีผลอย่างไรปฏิบัติธรรมทาให้เราเข้าถึงธรรมชาติให้เราเข้าใจความจริงตามธรรมชาติทุกวันนี้เราเข้าใจตามภาษานะหนูคนนี้อยู่บ้านไหนลูกฮะบ้านป่าใต้เราเป็นคนอีสานเวลาหนูคิดเนี่ยหนูใช้ภาษาอีสานคิดหรือใช้ภาษาไทย ภาษาอีสานภาษาอีสานมาจากไหนไม่รู้หนูก็นั้นชื่อเล่นชื่ออะไรฮะกิฟใครตั้งชื่อให้ลูกพ่อแม่ใช่ไหมหรือใครตั้งให้ฮะไม่รู้เรารู้เรารู้ เรารู้ความเราก็รู้เราชื่อกิฟตใช่ไหมเขาเคยปรึกษาเราไหมว่าชื่อนี้เราชอบไหมเห็นไหมเราก็คิดตามภาษาว่าเรากลายเป็นกิฟตละกิฟตภาษาอังกฤษเรียนไหมที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษไหมฮูอาย o ฮ r อายูไปว่าอะไร ฮะคุณคือใครตอบสิคุณคือใครตอบสิะคุณคือใครฮะตอ บ, อออตอบอยังไงลูกใครรู้บ้างว่าตัวเองเป็นใครยกมือขึ้นใครรู้ว่าตัวเองเป็นใครยกมือขึ้น บางทีเราตอบ my name my name is gip นะชื่อฉันชื่อกิฟไม่พวกครูไม่ต้องการรู้จักชื่อเราถามว่าเราเป็นใครคนที่เป็นเจ้าของชื่อกิฟเนี่ยเป็นใครกันแน่เราเคยรู้ไหมว่าเราเป็นใครไอ้ที่นั่งอยู่นี่เป็นใครกันแน่เห็นไหมถ้าคนคนหนึ่งไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเนี่ยเราจะบริหารชีวิตตัวเองไม่ถูกต้อง เราจะคิดตามภาษาพูดตามภาษาที่คนอื่นใส่มาให้เรานะที่เราเข้าค่ายเราปฏิบัตินี่ปฏิบัติเรื่องเราจะรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนทำไมเกิดอยู่ในร่างนี้ถ้าเกิดจีบลูกถ้าคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นไปใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศสหรือว่าใช้ชีวิตที่ยุโรปที่ประเทศอังกฤษหรืออเมริกาอาจจะชื่อจินนี่ก็ได้นะชื่อลูซี่ก็ได้นะเอาเป็นว่า ชื่อมันไป่แค่สมมุติแล้วก็กลายเป็นกรีบละโดยที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นใครเห็นไหมเรามาปฏิบัติทำถอยเข้าไปสู่จิตเราแล้วเราจะรู้ว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนทำไมเกิดอยู่ในร่างนี้ทาไมเกิดเป็นอยู่ในร่างผู้ชายทาไมเกิดอยู่ในร่างผู้หญิงนะเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเราเป็นใครนะ ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรนี่แห่ะคำตอบคือว่าเพื่อให้เราเข้าถึงความจริงตามธรรมชาติและเราจะรู้ว่าเราเป็นใครกันแน่เกิดมาทาไมตายแล้วไปไหนนะ ก, ก็คุยอีกคำถามคำถามหนึ่งนะมีลุงคนหนึ่งเขาถือกระป๋องสีนี่กระป๋องใหญ่มากเดินมาเราเหลือไปเห็นคำว่าขาวมันเขียนว่าสีขาวเราถามว่าลุงลุงลุงไปไหน แกบอกว่าไปซื้อสีเอาไปทำอะไรจะไปทาสีบ้านเรารู้อนาคตใช่ไหมว่าต่อไปบ้านคงลุงสีอะไรทำไมเรารู้อนาคตเราเป็นพระอรหันต์แล้วเห็นไหมสมมติว่าน้องเราทำการบ้านอยู่หนึ่งบวกสองเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ลูกเอาทาไมรู้อนาคตอ่ะเขายังไม่เขียนเลย เห็นไถ้าเรานั่งและเลึกชาติอดีตรเราเห็นอดีตรกรรมหรุเราเห็นว่าที่ผ่านมาเมืม่อวานเราขายได้บาทหนึ่งพี่นัดดาขายบาทหนึ่งวันนี้ขายมาอีกสองบาทปุ๊บคอมพิวเตอร์มันบวกปุ๊เป็นสามเลยถ้าเราเห็นอดีตบวกปุ๊บเราเห็นปัจจุบันเราจะเห็นอานาคตเลยลนี่คือหลักกฎแห่งกรรมนะเนี่ยเราปฏิบัติทําไปเรื่อยๆ เ, เราจะรู้ว่าตายเราไปไหน อยู่ที่กรรมปัจจุบันบวก ก, บกับกรรมเก่านะเราสามารถนําการปฏิบัติธรรมนี้ไปใช้ในชีวิตได้หรือไม่ได้เลยครับเมื่อเราฝึกบ่อยๆเราลูบท่าทันแล้วเนี่ยต่อไปชีวิตจริงเนี่ยไอตัวรู้เท่าทันมันไม่ได้หายไปไหนมันก็ตามเราไปด้วยไงสมัยก่อนถูกดา่ามึงด่ากูทําไมว ะ, ะโกรธมากเห็นไหย แต่พอเราฝึกแล้วเนี่ยมันก็ด่าคำเก่าเนี่ยเราก็เฉยเราเฉยมันยิ่งโกรธอีกด่าแล้วไอ้นี่ยังไม่โกรธอีกมันยิ่งด่าแรงขึ้นเราก็เฉยอีกพอมันด่าเราเราเฉยนี่เราได้บุญนะเราได้อุเบกขาบา ร, รมีแล้วก็ได้ให้อภัยทานมันมันด่ามาอีกทีเราก็เฉยอีกได้สองเด้งแต่มันได้สร้างกรรมสองครั้งเห็นไมเราจะเปลี่ยนชีวิตลูก เราจะขี้หงดหงิดเราจะขี้โมโหมันจะอ่อนลงนะแล้วเรามีสติสมาธิมากขึ้นเราจะเรียนเก่งถ้ามาปฏิบัติแล้วเราโง่ขึ้นพ่อครูจะให้พวกเรามาปฏิบัติทําไมนะเดี๋ยวเขาบอกว่าเด็กพารานคอยนักเรียนพลรานข่อยโง่หมดเลยเขาก็ด่าพ่อครูไงเห็นไหมพ่อครูเป็นเจ้าของโรงเรียนนะพ่อครูไม่โง่ที่ทำให้พวกเราโง่นะพ่อครูทําให้พวกเราฉลาดขึ้น พ่อครูทำไมต้องมาลำบากเพราะพวกเราคะพ่อครูไม่ลำบากลูกพ่อครูมีความสุขเรื่องอะไรจะไปหาเรื่องลำบากเห็นไหมพ่อครูคุยกับพวกเราก็มีความสุขเรื่องอะไรจะลำบากพ่อครูตื่นตีสี่ทุกวันพ่อครูก็มาเดินจงกรมเห็นไหมตีห้าก็มาที่ศูนยเห็นไหมเขาก็ปฏิบัติตีห้าครึ่งแลวตอนนี้ก็ หกโมงขึ้นถึงเจ็ดโมงเโมงบ่ายอะไรพราะครูก็ปฏิทธรรมทุกวันเดี๋ยววันจันทร์นี้ก็บินไปกรุงเทพเลยไปประชุมที่กรุงเทพระวางคานก็กลับมาพราะครูไม่ได้ลําบากลูกพราะครูมีความสุขกับการทํางานเนาะพราะครูไม่โง้ที่ทําให้ตัวเองลําบากนะลูะกนะพ่อครูคะคนเข้าจิตเป็นอย่างไรอยากรู้ก็เข้าไปลองดูนะ อธิบายไม่ได้หรอกมันเป็นปัจจัดตังเวทิตาโพวินโยหเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนยกตยัวอย่างถ้าอยากเราอยากรู้ว่าน้ำนี้มันร้อนมันเย็นรสชาติเป็นยังไงเนี่ยจะทํายังไงลูกเออก็ชิมดูชิมแล้วก็รู้เองไงอธิบายไม่เข้าใจหรอกเข้าใจไม่เข้าจิตสมองรู้จิตจิตไม่รู้นะ มันเปรี้ยวนิดหนึ่งมันหวานนิดหนึ่งมันเค็มนิดหนึ่งมันอุ่นๆ น, น, นะแล้วก็เข้าใจไม่เข้าจิตเราชิมเองุูเรารู้เลยเนะียผู้เจ้าบกมันเป็นปัดจับตังค์มันรู้ได้เฉพาะตนนะพ่อครูคะคนดีตายแล้วเขาจะได้ไปนิพพานไหมคะโู้ขากำไรเกินควรแค่เป็นคนดีเฉยจะเป็นนิพพาน ทำดีก็ดีแล้วลูกคนทำดีแล้ววินาทีที่เราจะตายนั้นเราไม่กังวลอะไรเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าไปสู่สุกตินะสู่สุกติคือไปสวรรค์นะไม่ตกนรกแต่คำว่านิพานเนี่ยต้องคนที่ฝึกจนจิตบรรลุนิพานคือจ่ายหนี้กรรมหมดไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด น, นะแต่ถ้าไปเป็นเป็นเทวดาบนสวรรค์นะลูกเสพสุข จนกรรมดีนั้นหมดเหมือนตกมาวันแรกไปเกิดลูกเป็นลูกลู ก, ลกเศรษฐีก็แหกปากร้องเหมือนกันเห็นไหมเทวดาร้องไห้ทำไมนะไม่จำเป็นอย่าไปขึ้นสวรรค์ลูก อ, อแน่นอนนรกไม่ไปอยู่แล้วนะถ้าเราฝึกบ่อยๆถ้าเกิดเรายังไม่บรรลุธรรมลูกส่วนมากตายปุ๊บมันเกิดมาเป็นมนุษย์ทันทีเหมือนเหมือนพี่แทนของเราเห็นไหมเพราะพี่ชายเขานี่ปฏิบัติธรรมบวชเป็นเนนพอตายปุ๊บเกิดมาเป็นพี่แทนเลย ตายวันนี้เกิดพรุ่งนี้เลยเลยพี่แทนเขาจําได้นะเขาไม่รู้ว่าเขามีพี่ชายเห็นไหมพเพราะครูได้ตั้งชื่อว่าแทนนะแล้วเขาเริ่มโตขึ้นเขาเขาบอกว่าเขาเป็นเนนจิตมันยังระลึกรดะลึกได้นะนั่นแหละตอบไม่ได้ว่าคนดีทั้งหมดตายแล้วก็ไปนิพพานได้นะคนดีก็ ตายแล้วไปสู่สุคติบางทีเกิดเป็นมนุษย์ทันทีบางทีก็ไปเสพสุขอยู่บนสวรรค์สักพักหนึ่งนะแต่ถ้าทําความชั่วพุ๊บนี่ตกนรกก่อนนะเขาเปรียบเทียบ ว, วัานนรกนี่เหมือนอะไรถูกลงโทษเหมือนขึ้นต้นนิ้วมันมีหนามนะลูกต้องขึ้นต้นนิ้วหนะมันเจ็บแบบนั้นอันนี้เราผิดศีลผิดธรรมนะขึ้นต้นนิ้วแล้วทุกเหมือนเอาไปต้มกระทะทองแดงเขาสะท้อนเห็นว่าทุกเหมือนถูกต้ม แต่เทวดานั่นเขาสุขเหมือนเขาได้กินของอร่อยคิดอะไรมันก็ล อ, อยมาสมหวังตลอดเวลานะแต่พวกนี้ก็ติดสุขลุกเสียเวลามากเพราะครูเคยบอกว่าเทวดาทุกมากที่ต้องเสพสุขไม่จําเป็นอย่าเสียเวลาบนสวรรค์นะอ่าอย่าไปนะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกมีโอกาสบันเพนเพียนอีกแต่มนุษย์ก็เสี่ยงนะลูกทําชั่วก็ได้ทําดีก็ได้นะแต่ถ้าเรามาเจอเนี่ย โอกาสได้บวชแบบนี้สร้างบุญกุศลเนี่ยจะมาต่อยอดในโอกาสไปสู่นิพพานมีนะถ้าถึงนิพพานแล้วไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดอละไรลูกจบแล้วนะเหมือนพระพุทธเจ้าตอนนี้ยังอยู่จิตท่านยังอยู่แต่ว่าท่านไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดในสามโลกธาตุสามโลกธาตุคืออะไรคือสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัตินะไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดในสามโลกธาตุนะแต่จิตดวงนั้นตัวรู้นั้นยังอยู่นะ นั่นคือความสุขแท้ไม่ต้องเรียนบายตายเกิดคนนี้ชอบกินผลไม้อะไรถ้าให้เลือกอย่างหนึง่งส้มเนาะเวลาได้เราได้กินสิ่งที่เราชอบนี่รู้สึกสุขหรือทุกข์สุขเนาะเวลาถูกแย่งไปรู้สึกยังไงโกรธเห็นไหมมันไม่ใช่สุขจริงถ้าสุขจริงๆในใครเปลี่ยนเราไม่ได้ทีนี้ถ้าหนูกิน ส้มแล้วมีความสุขเลยเดี๋ยวพ่อครูจะสั่งอให้มาเข้าค่ายปีหนึ่งนะแล้วก็กินกินส้มทุกวันเลยไม่ต้องกินอย่างอื่นนี่สุขไหมเอาก็ชอบไงกินส้มทุกวันเลยเช้าก็ส้มบ่ายก็ส้มเที่ยงก็ส้มกลางคืนก็ส้มส้มส้มส้มส้มส้มปีหนึ่งนี่สุขไหมเนี่ยเทวดาทุกมากที่ต้องเสพสุขนะลูกมันเบื่อไม่จาเป็นจะเป็นเทวดานะลูกไม่เป็น เรามาปฏิบัติเพื่อเป็นพระอริยนะก็ยังมีเวลาอยู่นลุกทำไมตอนหนูกิ้งหนูถึงเจ็บหัวนะจ่ายนี่ลูกใครบ้างตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดเลยยกมือขึ้นมีไหมลูกตั้งแต่จำความได้เราไม่เคยคิดเลยเนี่ยมีไหมไม่มี คิดนี่คือมโนกรรมคิดดีก็ทุกข์คิดชั่วก็ทุกข์เราคิดดีคิดจนไม่หลับไม่นอนนะไม่หลับไม่นอนทรมานตัวเองมันก็ปวดหัวจิ๋กเวลาเราเหวี่ยงปุ๊บนี่เราสร้างกรรมอะไรมันจะแสดงออกมาเราจ่ายหนี้กรรมอยา่าหนีนะยิ่งเจ็บยิ่งเหวี่ยงยิ่งปวดยิ่งเหวี่ยงอย่าไปห น, นีมันไม่มีผู้ใดหนีกรรมตัวเองพน้น เราหนีมันวันนี้ก็ต้องใช้ในวันหน้าใช้ในชาติหน้าจ่ายมันอย่าหนีอย่าหนีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่มีพ่อครูยี่สิบปีมาอยู่ในป่านี้ลูกพ่อครูไม่เคยปวดหัวเลยไม่ต้องกินยาแก้ปวดแม้แต่เม็ดนึงเห็นไหมจิตพ่อครูมันฉลาดแล้วสมัยก่อนสี่สิปีมันยังโง่อยู่วิ่งไปตามโลกมันถูกสอนว่าลูกเรียนเก่งๆนะหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขพ่อครูขยันมากแล้วก็รวยจริงๆลนุกพ่อครูหาความสุขไม่เจอ ไม่เจอถูกหลอกไปสี่สิปีจนไปว่าไม่มีไม่ได้แปลว่าทุกข์รวยไปว่ามีเยอะไม่ได้แปลว่าสุขเพราะคูโดนโดนหลอกไปสี่เพราะคูหาความสุขไม่เจอเห็นไหมพอฝึกจิตปุ๊บมันระเบิดปุ๊บพราะคูเจอแล้วพรากคูก็ถอยมาอยู่ที่นี่สุขยีสเจปีไม่มีแม้แต่หนึ่งวินาทีทําให้ให้พ่อคูทุกข์ได้แล้วไม่ต้องกินยากแก้ปวด เพราะพ่อครูไม่เคยคิดเลยยี่สิบจุดสมัยก่อนเป็นไมเกรนลูกคำว่าไมเกรนคือว่ามันดังตุ๊กตุกุกจับไม่ได้เลยเจ็บปวดไปหมดล่ะเพราะเราเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่และความเครียดนี่ลงกระเพาะเป็นลวกกระเพาะต่างหากกินยาควบคุมมันนะเมื่อด ย, ดยามันหมดก็ปวดอีกก็ต้องกินยาอีกพอเรานั่งปุ๊บเราเบิดตู้ยี่สิบเจ็ดปีไม่ต้องปวดหัวเลยเห็นไม พ่อคูเจอความสุขที่แท้จริงไม่ต้องมีตังก็มีสุขเนาะเห็นไหมสมัยก่อนจนๆนะพกก่อคูมาทันนุกมยี่บเจปีก่อนพ่อคูนั่งเรือข้ามมาไม่มีถนนมานะพ่อคูนั่งเรือจากบ้านบากชุมเข้ามาตรงนี้นะพอเท้าเหยียบพื้นปุ๊บจิตมันบอกใช่แล้วพ่อคูก็ปักหลักที่นี่นะไม่มีไฟฟ้าอยู่สิบเด็ดปีนะพ่อคูก็สุขนะอยู่แบบสุ ข, สข เนะพวกครูไม่ติดสุขนะนะความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระไม่ใช่รวยหรือจนจนแปลว่าไม่มีไม่ได้แปลว่าทุกข์รวยแปลว่ามีเยอะไม่ได้แปลว่าสุขตอนที่จนจนอยู่มีข้าเหนียวปั้นหนึง่งฉันป้อนเธอเธอป้อนฉันฉันรักเธอเธอรักฉันฉันเข้าใจเธอเธอเข้าใจฉันแต่พอถูกหวยถูรัตตอรี่ขึ้นมา ฉันไปมีชู้เธอไปมีกิก๊กฉันไปเล่นการพ น, นันฉันไปกินเหล้าตีกันฆ่ากันอย่างนี้รวยเอาไหมรวยไม่ได้ไปว่าสุขซะหน่อยหนึ่งลูกนะเอออันนี้อย่าไปหลงกับเขาลูกพอใจในชีวิตที่เรามีอยู่พ่อครูทำอย่างไรไม่เหนื่อย ทำพ่อทำลูกพ่อครูใช้จิตทำมันไม่เหนื่อยวันก่อนพ่อครูไปทางลาวไปทางปักเซลูกบังเอิญทางที่เราไปไปอยู่ในป่าเนี่ยรถยนต์เข้าไปไม่ได้นะมีจตะโคนทั้งนั้น่ะคืนนั้นก็โทรมาบอกว่าอย่าให้พ่อครูไปเลยฝนตกไม่หยุดเลยเป็นอาทิตย์แล้วนะรถเข้าไปไม่ถึงกลัวพ่อครูจะเหนื่อย พครูเย็นะูจะไปนะเออไปก็ไปเขาก็รถมารับที่ช่องเม็กตั้งแต่6โมงเช้าลูกไปถึงที่น่นฝนหยุดตกลกนะแต่ว่า ถ, ถ, ถนนมันเละแล้วก็ จ, จอบพราคูก็เดินไปไปกับประมาณ6กิโลนั่นแหละไป3ากิโลสองกิโลพ่อคูเดินนำหน้าเลยหลูกนะพราคูแก่ที่สุดลกพวกหนุ่มๆเดินตามไม่ทั น, นเห็นหั้ยแล้วไปลุยป่าด้วยลูก พราะครูไม่เหนื่อยจิตมันทำมันเดินมันไม่เหนื่อยแต่ถ้าใช้ใจเดินเนี่ยเหนื่อยยกตัวอย่างว่าเราถูกบังคับให้มาเข้าค่ายอะไรก็ไม่รู้ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าฉันไม่อยากตื่นมาเมี้ยยังไม่ได้ไปทำอะไรก็เหนื่อยแล้วไงเหนื่อยใจยังไม่ทำเลยก็เหนื่อยนเพราะครูเดินตั้งหลายกิโลพรากคูไม่เหนื่อยนะเพราะคูเอาจิตเดินบุพราะคูไม่เหนื่อยเพราะคูมีความสุขกับการทางานนะ พ่อคูคะหนูอยากรู้ว่าคนที่ตายแล้วเป็นอย่างไรคนที่ตายแล้วก็คือไม่หายใจหรกนะมันไม่หายใจหรกนั่นแหละคือคนตาย <c oughs> ส่วนมันจะไปเป็นอะไรนะั้นอยู่ที่บุญกับบาปเขาสร้างคนอีนสานเรามีคํานึงพูดนะ่ะเดี๋ยวถ้าลูกเดินไปตรงพระใหญ่ตรงหลังพระใหญ่มีจะ่องค์พระนึงเรียกว่าปางอ่ ประสูตรตัดสปปลูปเรนนีพานข้างหลังแท่นนั้นผู้ครูเขียนไว้คือเขาบอกว่าสี่คนหามสมคนแห่สองคนนั่งแค่หนึ่งคนพาไปมันแปลว่าอะไรลูกสี่คนหามร่างกายเราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะถ้าไม่มีดินน้ำลมไฟเนี่ยเรายืนไม่ได้เดินไม่ได้เออเราเราก็การร่างกายก็ไม่เกิดขึ้นสามคนแห่ เราอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติคืออนิจจังทุกของอังอนัตตาลักษณะสามประการของธรรมชาติคือมันไม่เที่ยงทุกขังคือมันดำรงอยู่ได้ยากมันเป็นของชั่วข่าวทั้งมันอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนเราอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทั้งอย่างนี้นี่คำตอบถึงว่าทำไมเกิดเราต้องตายมันเปลี่ยนแปลงสองคนนั่งแค่คืออะไรบุญกระบาศ เราอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมมีบุญกับบาสนะเราหนีไม่พ้นลูกแล้วก็หนึ่งคนพาไปคืออะไรจิตสุดท้ายที่เราจะตายนั่นร่างกายมันตายปุ๊บจิตสุดท้ายเนี่ยมันจะแบกบุญบาปไปด้วยและไอ้บุญบาปตัวนี้ส่งผลให้จิตมันไปอยู่ในร่างที่ดีขึ้นหรือเลวลงเนะี่ยหนึ่งคนพาไปจิตสุดท้ายจึงต้องสําคัญมากที่นี่เราทุกช้าเราฝึกตายก่อนตายตลอดเราไม่ประมาท ถ้าวินาทีเราถูกรถชนเปี้ยงมันกำลังจะตายปุ๊บเนี่ยจิตเรามันมาหมุนตอนนั้นมันละสังขารแล้วเนี่ยมันไปสู่สุคติแน่นอนมันจะบรรลุธรรมอีกขั้นหนึ่งมันวางกายภาพแล้วมันจะไม่ทุกข์ทรมารนะถ้าเราฝึกจริงๆน่ะสักวันหนึ่งเราใช้แน่ๆเพราะว่าเราต้องตายแน่ร่างกายมันต้องตายแน่ถ้าเราไม่รีบวางมันสักวันหนึ่งมันวางเราเราจะทุกข์ลุกนะก็ ตายแล้วก็คือไม่หายใจเนาะส่วนจะไปไหนนะั่นอยู่ที่บุญบาปที่เราสร้างก็ทำไมต้องมีญาติธรรมมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ด้วยทำไมลูกมันแปลกอะไรเลยที่นี่เรามีศูนย์จิตใจศูนย์สมองศูนย์ปากทอง ศูนย์จิตใจเนี่ยก็คือเราเราฝึกจิตตลอดนะญาติธรรมทุกสาขาอาชีพเขาก็มาปฏิบัติกับเรานะแล้วก็ส่วนหนึ่งข้าวปลาอาหารค่าใช้ใจ่ายที่โรงเรียนเราใช้เนี่ยก็ญาติธรรมเนี่ยมาช่วยเราทําบุญช่วยพ่อครูช่วยกันทําบุญหนูสมองเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครข้าวทุกคาที่เรากินเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าเงินใครแต่จิตเรารู้ร จิตเรารู้เหมือนตอนนี้เรามีมือถือใช่ไหมไม่มีสายเลยนะทําไมเพื่อนอยู่อเมริกาคุยกันรู้เรื่องเห็นไหมตอนนี้เราหูทิพนะลูกเพื่อนอยู่กรุงเทพคุยกับรู้รู้เรื่องเห็นไหมเราหูทิพแล้วเราตาทิพด้วยเขาแสดงละครเขาเตะฟุตบอลอยู่อังกฤษเราก็เห็นโทรทัศน์ใช่ไหมเห็นไหมุกวันนี้เราหอได้นะเราหอจากกับอไปกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวเด๋ยวใคร ใครได้รางวัลที่ตั้งใจปฏิบัตินะจนหมดเทอมนี้เขาจะมีคะแนนสะสมไปแล้วเนี่ยเราเป็นตัวแทนของห้องนะปอหด่านเม่นคนหนึง่งปอห้าด่านเม่นคนหนึง่งปอหคนหนึง่งปอห้าศูนพรลานข่อยคนหนึง่งได้ร่วมกับพี่มัธยมเขาเนี่ยเหาะไปกรุงเทพลูกนั่งเครื่องบินไปกรุงเทพนะเราเหาะไปนะะทุกวันนี้เนี่ย เราเหาอเหินเดินอากาศได้แล้วหูทิพตาทิพนี <Yeah. S 1> ก็ญาติธรรมเนี่ยเขาอยากรวยบางทีเขาก็รวยแล้วแต่เขาก็ไม่หาความสุขไม่เจอเหมือนพ่อครูเขาก็กําลังมาสแสวงหาความสุขจริงๆนะเดี๋ยวหนึ่งเมื่อเขาปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็มีใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สมัยก่อนเขาให้ไม่ได้เพราะเขามีเท่าไหร่เขายังไม่พอไงเหมือนเราสร้างตึกขึ้นมาหลบสิบชั้นพ่อครูยกตัวอย่างนะ พวกคูสร้างจะขึ้นมาสิบชั้นเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยนอนพักดีกว่าวะนอนลงไปข้างๆมันมีร้อยชั้นนอนไม่ได้แล้วสู้มันไม่ได้ก็มาสร้างต่อขึ้นมาอีกสร้างถึงเก้าสิบเก้าชั้นเหนื่อยมากกําลังจะขาดใจตายตา ย, ตายไม่ลงอีกสู้มาตั้งเกือบชีวิตแล้วนี่อีกแค่ชั้นหนึ่งแต่มันไม่มีแรงสู้มันเนี่ยไม่มีแรงสร้างอีกแล้วเนี่ยก่อนจะตายยังเรียกลูกเรียกหลานมาสร้างต่อกลัวลูกหลานมันไม่ทุกข์เหมือนเรา บางที่สร้างไปทําไมก็ไม่รู้เห็น ไ, ไหมแต่พอเราเข้าถึงธรรมแล้วเรารู้แล้วความสุขจริงๆก็คือมาอยู่ในป่านะตอนที่เราสร้างตึก9้าชั้นเนี่ยเราให้ได้ไหมไม่ได้เพราะมันมีร้อยชั้นน่ยแค่นี้เรายังไม่พอเลยเรารวยเงินแต่เราจนชีวิตนะไม่มีเวลาไม่มีเวลาเราเป็นแค่คนรวยแตเ่เราไม่ใช่เศรษฐีแต่พ่อครูมาอยู่ที่นี่ 27ปีเปีพราคกูเป็นเศรษฐีตัวจริงหนุมีิเศษส่วนเกินที่จะแบ่งปันนีตอนนั้นเป็นแค่คนด้วยนะไม่ใช่เศรษฐีนะก็ยาติธรรมมาที่นี่เขาก็มาสแสวงหาสัจธรรมความจริงของชีวิตมาหาดูว่าไอ้ตัวความสุขจริงๆมันคืออะไรเห็นไหมเขาก็เรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกลูกเห็นแล้วก็รวยแล้วไง นัมาอยู่ในป่านี้ทำไมเห็นไหมพราะเขาหาความสุขไม่เจอเนาะทำไมต้องมีคนมาบวชเป็นเนนและแม่ชีอยู่โรงเรียนครับก็นี่กี้ลิลองให้ฟังแล้วว่าการบวชนี่อา น, นิสงส์ของการบวชถามผู้ชายคนนี้เคยเห็นเขาบวชพระไม่ดูเคยเห็นไหมูไม่เห็นเคยเห็นเขาบวชพระบ้าง อ้าวทำไมไม่เห็นหละ่ะเวลาบวชเนี่ยก่อนจะบวชทำยังไงปลงผมใช่ไหมโกนผมโกนคิ้วใช่ไหมลูกเห็นไหมแล้วได้อะไรอีกเปลี่ยนเสื้อผ้านะสีสวยๆเนี่ให้เหลือผ้าเหลืองผืนเดียวนะแล้วก็ไม่ให้กินข้าวเย็นด้วย พอบวชเสร็จแล้วช่วงเราบวชเป็นพระเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างแม่กับลูกใครไหว้ใครฮะแม่ไหว้ลูกบอกถ้าแม่ไหว้ลูกนี่อาเพศนะแม่ไหว้พระแล้วเลยไม่ใช่ลูกเราแล้วเนอะเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วเห็นไหมนี่แหละ อาศัยผ้าเหลืองของลูกนี่ขึ้นสวรรค์การบวชนี่เป็นอ น, นิสง์ของพ่อแม่นะเหมือนเราชำระร่างกายเราเราเราไม่ได้ไปเห็นแก่ตัวนะเราลดละเลิกความสวยงามปงผมปงคิ้วลดละไอเสื้อผ้าที่ต้องเปืองเงินเอาผ้าเหลืองชุดเดียวลดอาหารเย็นด้วยถ้าทุกคนนี่เสียสละนะหนึ่งสองสามในโลกนี้หยุดกินอาหารเย็นกันหมดทุกคน วันหนึ่งกินแค่สองมือก็พออาหารเย็นตีเฉลี่ยว่าเอาเอาแค่สิบบาทก็พอลูกราคามันนะถูกที่สุดในโลกนะคนทั้งโลกเนี่ยมีเกือบเจ็ดพันล้านคนเจ็ดพันล้านคนคูณด้วยสิบบาทเนี่ยเจ็ดหมื่นล้านวันหนึ่งประหยัดไปเจ็ดหมื่นล้านโอเควันหนึ่งนี่ยแจกเงินคนละล้านบาทเนี่ยเจ็ดหมื่นคนเจ็ดหมืนคนเป็นเศรษฐีเงินล้านทันทีเลย แล้วเดือนหนึ่งมันกี่คนน่ในโลกนี้จะไม่มีคนจนลุกแค่ลดอาหารเย็นมื้อเดียวเห็นไมเราแก้ปัญหาโลกได้หมดเลยแต่ตอนนี้ยอมไม่ไม่ฉันยังอยากจะอร่อยอยู่เห็นไหมแต่เพื่อนเรามาบวชเนนบวชพระนี่เสียสละมากเห็นไหมยิ่งใหญ่มากมาทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้นะนี่แหละจึงมีการบวชเนนบวชชีเกิดขึ้น แล้วแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณรู้คุณพ่อแม่บวชให้พ่อแม่บวชให้ในหลวงให้ราชนีของเราบวชให้โรงเรียนด้วยเห็นไหมเขตพื้นที่เขาตื่นเต้นเลยโอ้โรงเรียนศูนย์ประหลานข่อยเนี่ยมีคนบวชให้ในหลวงด้วยหาคนบวชยากนะลูกมีแต่คนเห็นแก่ตัวบวชไม่ยอมอดข้าวเย็นไงไม่ได้แต่งตัวสวยๆงามๆรงผมงงก็ไม่มีตังหาเห็นไหมเราทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี่คือคําตอบเนาะ ทำไมต้องมีอุปกรณ์การเรียนแจกให้นักเรียนด้วยพราครูตั้งมูลนิธิลูกเพื่อไม่ให้คุณพ่อคุณแม่เราเป็นภาระท่านก็เป็นหนี้สินอยู่แล้วการศึกษามาเพิ่มหนี้ให้เขาทีนี้ถ้าพ่อครูไม่ตั้งมูลนิธิพ่อครูก็เปิดโรงเรียนไม่ได้ไปจดทะเบียนเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กระทรวงศึกษาก็รับรองเรา กระทรวงศึกษาก็ให้เงินเรามาส่วนหนึ่งลูกแต่มันไม่พอหรอกลูกนะอย่งย่งเสื้อผ้าเนี่ยเขาให้เราไปซื้อได้ชุดเดียวนะแล้วเสื้อผ้าเราแพงกว่าที่เขาขายทั่วๆไปเร า, เร า, เ, ราเราต้องเอาผ้ามันไม่เหมือนทั่วไปเนี่ยนะนะแต่ที่พ่อครูต้องการให้พ่อแม่อย่าเป็นภาระ เ, เรื่องค่าใช้จ่ายนะอันนี้แล้วบางคนถามแล้วท้งพ่อครูทําไมต้องทำละ่ะ ทำไมต้องทำนะก็พ่อครูรักชาติไงพ่อครูลักประเทศชาติมีคำถามหนึ่งนะพ่อครูมาจากไหนพ่อครูก็บอกให้ทุกคนนะพ่อครูเกิดที่อุบลรักอําเภอเมืองพ่อครูเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดเขตอําเภอเมืองนะแล้วก็บ้านปลายพ่อครูไปอยู่อเมริกานะพ่อแม่น้องๆอยู่อเมริกามีพ่อครูคนเดียวไม่ยอมไปนะแล้วก็พ่อครูปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยพ่อครูก็ย้ายจากนู่น มาอยู่บ้านกรุงเทพลูกหนีเสือป่าจระเข้วุ่นวายกว่าเมืองนอกมาอยู่บ้านเชียงใหม่ก็ไม่ใช่มาอยู่บ้านในเมืองที่อุบลก็ไม่ใช่พอมาอยู่ที่นี่ใช่แล้วก็27ปีผ่านไปนะตอนพ่อคูมาอยู่ใหม่ๆครูคีเนี่อายุสองขวบสองขวบครึ่งน้องดอนนี่อายุหเดือนอุ้มมาลูกนะออตอนนี้พี่ดอนจบปริญญาโทแล้วบวชเนนพี่คีบวชชี ถวายให้ผู้ได้เจ้าจบปรยาโทรแล้วตอนนี้ดอนไปอยู่อเมริกาเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนจะกลับมาแล้วลูกแล้วมาช่วยกันดูแลชุมชนที่นี่นะก็พ่อครูรักชาติพ่อครูก็เลยเลือกกลับมาที่แผ่นดินเกิดโดยเฉพาะบ้านเกิดเมืองนอนเราที่อุบลแต่พ่อครูเลือกมาอยู่ที่นี่มันอยู่ชายแดนนะคนในเมืองเขามีจะ ก, กินแล้วเน่ไม่ต้องไปช่วยอะไรเขาพ่อครูก็มาเปิดที่นี่นะครับ แล้วก็มีหน้าที่ดูแลชุมชนกับพวกเราเนี่ยคําตอบบางคนสงสัยเอ๊ะไม่ใช่ญาติด้วยกันหน่อยพวกครูมาดูแลหนูทําไมก็พวกเราเนี่ยยิ่งกว่าญาติอีกลูกเขาเรียกว่าญาติธรรมญาติทางธรรมะเราฆ่ากันไม่ลงนะแต่พี่น้องกันร่วมท้องเดียวกันเนี่ยบางทีมันแย่งสมบัติกันมันฆ่ากันเลยนะฟ้องร้องกันได้นะแต่ญาติธรรมเนี่ยฆ่ากันไม่ได้ลูกมีแต่อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะโดยเฉพาะพวกเราเป็นอนาคตของชาติ พ่อครูรักชาติรักเ ย, ยาวชนเยาวชนสร้างเยาวชนเยาวชนถ้าพวกเราเนี่ยโตขึ้นเป็นเด็กดีอนาคตของชาติก็ดีแต่ถ้าเราพวกเราเป็นคนเกเรเป็นคนไม่ดีขี้เกียจชาติก็ขี้เกียจชาติก็ล่มจม น, นี่คือคําตอบสุดท้ายโอเคนะสุดท้ายนี้พ่อครูก็ขอขอบใจพวกเราทุกคนนะที่สองสามวันนี้มาอยู่ที่ศูนย์ ทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเท่าที่ทำได้นะก็ขอให้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพาให้ทุกคนสำเร็จในชีวิตนะแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขมีอายุมั่นขวัญยืนนะก็เดินทางอย่างปลอดภัยโอเคนะ